วันนี้เรามาฟังเทศฟังธรรมกันมาทำความเห็นให้ถูกต้องโดยเฉพาะความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจจิตใจนี้ของพวกเรานี่มีอยู่สองชนิดด้วยกันจิตใจที่ศูนกับจิตใจที่ไม่สูนต่คำว่าศูนหรือไม่ศูนนี่ ไม่ได้หมายความว่าหายไปหรือไม่หายไปจิตใจที่สูญหรือจิตใจที่ไม่สูญนี้ไม่มีวันหายไปธรรมสูญนี้หมายถึงสูญจากความโลภความโกรธความหลงสูญจากความอยากต่างๆเช่นจิตใจที่ได้รับการชําระด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วจิตใจก็จะสะอาดบริสุทธ์ เป็นปละมังสุญญ์ยังทีเรียกว่านิ b b านังงปละมังสุญญยังคำว่านิบบานังปละมังสุญญ ย, ยังก็คือว่าจิตใจเป็นจิตใจที่สะอาดปราศจากความโลภความอยากต่างๆแต่ตัวจิตใจนี้ไม่ได้สูญหายไปจิตใจของปุถุชนที่ยังไม่ได้รับการชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไป ก็ยังไม่ได้สวญหายไปเช่นเดียวกันจิตใจนี้ไม่มีรูปมีร่างเหมือนกับร่างกายร่างกายมีรูปมีร่างมีอาการสามสองมีความสูงความกว้างความลึกแต่จิตใจนี้เหมือนกับอวกาศเป็นความว่างเป็นเหมือนกับกระแสวิทยุที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเา เป็นสิ่งที่มีอยู่เส้นกระสับสวิทยุที่เราใช้ในการส่งสื่อสารเส่นไมโครโฟนเครื่องนี้ก็มีสัญญาณวิทยุส่งเข้าไปในเครื่องรับแล้วก็ขยายเป็นเสียงออกมาสัญญาณที่ส่งเข้าไปในเครื่องนี้เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเราแต่เราก็รู้ว่ามีอยู่ แต้ใดจิตของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นเราไม่สามารถมองเห็นจิตของเราได้ด้วยตาเปล่าแต่เราก็รู้ว่าเรามีจิตเพราะจิตก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่เองสรร่างกายนี้ก็เป็นเพียงผู้รับคาสั่งจากผู้รู้ผู้คิดอีกทีหนึ่งผู้รู้ผู้คิดสั่งให้ร่างกายลุกยืนก็ยืนขึ้นมา สั่งให้เดินก็เดินสั่งให้ทำอะไรต่างๆก็ทำตามคำสั่งของผู้รู้ผู้คิดนอกจากเวลาที่ร่างกายพิกลพิการผู้รู้ผู้คิดสั่งอย่างไรก็ไม่สามารถทำตามคำสั่งของผู้รู้ผู้คิดได้เช่นเวลาที่เป็นอมตะอมภาตผู้รู้ผู้คิดสั่งให้ลุกขึ้นยืนสั่งให้ขยับ เคลื่อนไหวแขนหรือขาก็ไม่สามารถทำตามคำสั่งได้นั่นเป็นเพราะว่าร่างกายเกิดอาการอาภาษขึ้นมาคือไม่ทำงานตามปกติเหมือนกับรถยนต์กับคนขับรถยนต์คนขับรถยนต์สั่งให้รถยนต์วิ่งไปตามสถานที่ต่งตางๆสั่งให้ติดเครื่องสั่งให หยุดสั่งสั่งให้ดับเครื่องบางครั้งก็สั่งไม่ได้สั่งให้ปิดเครื่องแต่เครื่องไม่ยอมติดแสดงว่าเครื่องมีอาการชำรุดต้องส่งเข้าอู่ให้ช่างเขาตรวจดูว่าอาการชำรุดนั้นอยู่ตรงไหนพอแก้ไขได้แล้วก็สามารถสั่งให้รถยนต์ตามตามคำสั่งของคนขับรถได้ ร่างกายกับจิตใจก็เป็นเหมือนกับรถยนต์กับคนขับรถดีๆนี่คนขับรถนี้สั่งให้ร่างกายทําอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าทําไม่ได้ก็ไปโรงพยาบาลไปหาหมอให้หมอช่วยตรวจ ด, ดูว่าเป็นอะไรถ้าหมอแก้ไขได้หมอก็แก้ไขให้ก็จะกลับมาเป็นปกติได้ร่างกายกับ ใจจึงเป็นคนลัดส่วนกันเป็นเหมือนคนขับรถกับรถยนต์ร่างกายนี้มีอายุมีขอบเขตคือไม่เกินน้อยปีเป็นส่วนมากก็จะหมดสภาพจะ ต, ต้องหยุดการทำ ง, งานแล้วก็เสื่อมสภาพไปส่วนประกอบของร่างกายก็จะแยกทานกันไป ร่างกายนี้เป็นการรวมตัวของภาคุสี่คือดินน้ำลมไฟพอถึงเวลาที่ร่างกายหมดสภาพดินน้ำลมไฟก็จะแยกกันไปกนละทางลมก็ไปทางของลมน้ำก็ไปทางของน้ำไฟก็ไปทางทางของไฟดินก็ไปทางทางของดิน สลุแล้วร่างกายนี้ไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของดิ่นน้ำหนุนไฟส่วนใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายก็ไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงเป็นเจ้าของเพียงชั่วระยะหนึ่งระยะที่ร่างกายยังทางานได้ยังไม่เสือเส่อมยังไม่หมดสภาพไป จะพอหมดไปเชื่อหมดไปใจนม้ก็ต้องไปหาร่างกายถ้ายังมีความต้องการที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูมกจิ้งจอยู่ก็จำเป็นจะต้องมีร่างกายที่มีตาหูจมูมกจิ้งจายแต่ถ้าใจ ได้รับการชำระความอยากหาความสุขทางตาหูจมูก น, นิ้วกายจนหมดไปแล้วเพราะใจได้พบกับความสุขที่ดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากการชำระใจด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาใจก็จะไม่ต้องไปหาร่างกายใหม่ นี่สือใจที่เราเรียกว่าปรลลังกนสยญญงใจที่ว่างจากความอยากสามประเภทด้วยกันคือการวัตันหาความอยากในรูปเสียงจิตลดปวดตะปะภาวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เ็นผูุใดาสามารถชำระความอยากทั้งสามประเภทนี้ให้หมดไปจากใจได้แล้ว ก็จะได้ใจที่เป็นปรมาณูอย่างถ้าไม่ได้ปฏิบัติเพียงแต่ศึกษาก็จะคิดว่าผู้ที่ได้สังละใจจนเต็มปรมาณูอย่างล้วนั้นจะหายสาบสูญไปจะไม่สามารถติดต่อกับใจของผู้อื่นได้นั่นในประวัติของอาจารย์บนผู้ตของอาจารมหาบัวเป็นผู้เขียน มันก็เราว่ามีพระอาหารหันต์มีพระพุทธเจ้ามาโปรดหลงปู่มัน่นในทางสมาธิพอดีมีนักป่าที่เป็นนักวิชาการแต่ไม่ได้เป็นนักปฏิบัติได้อ่านเข้าก็าเกิดความรู้สึกขัดแย้งกับวิชาการที่ได้เรียนมาจากพระไตรปิฎกก็เกิดความเข้าใจว่า เมื่อผู้ได้บรรลุถึงปรามังสุญญังถึงความสูญแล้วก็จะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยเมื่อไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วจะไปติดต่อกับคนนั้นคนนี้ได้อย่างไรอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะจิตผู้ที่มีความอยากอยู่หรือไม่มีความอยากอยู่ไม่มีวันสูญไม่มีวันหมดไป เหมือนกับเสื้อที่เรานำเอาไปซักเสื้อที่สะอาดกับเสื้อที่สกปรกมันก็ยังเหลืออยู่ส่วนที่หายไปก็คือความสกปรก<ม>เช่นเสื้อเราเปือนเราก็เอาเข้าวัดเข้าเครื่องไปซักพอออกมาส่วนที่เป็นสกปรกก็หายไปแต่เสื้อไม่ได้หายไปกับความสกปรก ในปี ค, ความเห็นที่ถูกต้องจิตของผู้ที่ปฏิบัติจนชำระความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนเป็นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอาหารหันตสาวุจิตของคูบาจารย์ตา่างๆเช่นหลวงปู่มัน่หนหลวงปู่เสาหลวงปู่ขาวหลวงปูแ่แหวนหลวงตามหาตัวจิตของท่านไม่ได้สูญหายไปไหน จิตของท่านยังอยู่และถ้าท่านต้องการจะติดต่อกับจิตดวงไหนท่านก็จะสามารถติดต่อได้อยู่ที่ว่าจิตของผู้ที่จะรับนั้นมีพลังจิตรับหรือไม่ผู้ที่จะมีพลังจิตรับกระแสจิตของผู้อื่นได้ต้องเป็นจิตที่มีสมาธิมีความสมงบเช่นหลวงปู่บั่นเวลาที่ท่านภาวนาเข้าสมาธิท่านก็จะรับ ติดต่อกับจิตดวงอื่นได้ติดต่อกับจิตของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ในอดีตได้ติดต่อกับเทวดาทั้งหลายได้เทวดาก็เป็นดวงจิตที่ไม่มีร่างกายแต่ไม่สามและบางทีท่านยังสามารถติดต่อกับจิตของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เช่นท่านสามารถติดตามความคิดของ ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อยางที่หลวงตาท่านได้เล่าไว้ในปอดที่ตอนที่หลวงปู่มั่นท่านไปภาวนาะที่ท่าสาริกาท่านพับอยู่บนเขาเรามีหลวงตารูปหนึ่งท่านท่านอยู่ที่ตีนเขาตอนนลางคืนเวลาภาวนาหลวงปู่มั่นท่านก็ส่งกระแสะจิตมาดูกร ะ, ะจิตของหลวงตาที่อยู่ที่ตีนเขา ก็ได้พบ ว, ว่ากำลังปรุงแต่งไปทางเรื่องโลกปรุงแต่งไปทางครอบครัวห่วงลูกห่วงภรร ย, ยาตอนเช้าท่านก็เลยแย้มออกมาว่าทำไมต้องไปคิดถึงเขาพอท่านพูดตอนนั้นเขาจะมีความรู้สึกอับอายที่ว่าอุชามาปีเิเวมาทุดดงแทนที่จะมาควบคุมความคิด บริกรรมพุโทโธพุธโทโธให้จิตเป็นปัจจุบันไม่ให้ไปคิดถึงอดีตไปคิดถึงอนาคตก็กลับมาคิดถึงเรื่องของอดีตคือครอบกลัวของตนท่านก็เลยกลัวมากกลัวว่าหลวงปู่มั่นท่านจะคอยอ่าจจิตใจของท่านตลอดเวลาท่านเลยต้องหนีไปอยู่ที่อื่นนีเป็นตัวอย่างของเรื่องของจิตใจ ที่สามารถติดต่อกันได้ทั้งในขณะที่ตายไปแล้วหรือไม่ตายไปแม้แต่จิตของสัตว์ในประทานเขาก็ยังติดต่อกับจิตของมนุษ ย, ย์ได้เป็นเรื่องของคุณแม่แก้วคุณแม่แก้วท่านก็มักจะมีจิตของสัตว์เนระฐานเช่นวัวป่าควายที่ตายไปแล้วจะมาติดต่อกับท่าน มีเรื่องของควายตัวหนึ่งในหมู่บ้านถูกชาวบ้านเจ้าของเจ้าของฆ่าตายของเขาตายแล้วจิตของเขาก็มาข้อหาจิตของคุณแม่แก้วในตอนเดึกตอนที่ท่านเข้าสมาธิอยู่ก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนเป็นควายถูกเจ้าของบ้านฆ่าฆ่าตาย แม่แก้วก็เลยส่งสั่งให้เด็กที่อยู่ในสำนักตอนเช้าให้ไปตรวจสอบดูว่ามีใครท่าควายตายเมื่อคืนนี้หรือเปล่าก็ปรากฏว่ามีดังที่ท่านได้สราบมาจากตัวเจ้าของโจวควายเองอันนี้แหละคือเรื่องของใจของจิตที่หลังจากร่างกายตายไปแล้วใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจก็ต้องไปตามอำนาจของตนหาความอยากส่วนจะไปสูงไปต่ําไปดีหรือไปไม่ดีก็เป็นไปตามอำนาจของบุญหรือบาปที่ทําอาไว้<อ>เวลาที่ตายไปนี้บุญกับบาปเหมือนกับจะมาแย่งดวงจิตดวงนี้ไปใครมีกําลังมากกว่าก็จะหนึ่งไปทางของคนที่มีกําลังมากกว่าเหมือนการชัดกไปเยอะกัน ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญก็จะดึงไปทางอบาปเดึงไปสูนน่นรกดึงสูง่ไปเป็นการเป็นเปรตดึงดินไปสู่การเป็นเดรัจฉานถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปก็จะดึงไปทางสุขติไปทางสวรรค์ไปเป็นเท่เป็นทองไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆจนกว่า บุญกับบาปนี้จะมีกำลังเท่ากันพอบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันก็คือบุญก็ไม่สามารถดึงไปสวรรค์ได้หรือดึงให้อยู่ในสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงให้ไปในอบายได้ตอนนั้นก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมากลับมาเริ่มต้นสร้างบุญสร้างบาปใหม่พอถึงวารตายบุญกับบาปนี้ ก็จะมาแย่งดวงจิต ด, ดวงใจนี้ไปถ้าทำบุญได้อย่างเต็มที่จนสามารถชำระตามอยากต่างๆที่เป็นตัวผักดันให้ไปเรียนไหว่ายเกิดได้ก็จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปบุญก็ไม่มีกําลังบุญก็มีกําลังบุญกับบาปไม่มีกําลังสู้ ที่จะไม่มีกําลังที่จะฉุด拉ให้ไปเกิดในพบใดได้เพราะไม่มีตัณหาความอยากที่เป็นเหมือนกับตัวผลักดันใจอีกทีหนึ่งตัณหานี้เป็นเหมือนตัวผลักดันใจส่วนบุญกับบาปนี้เป็นเหมือนพวงมาลัยที่จะสั่งให้ดวงจิตดวงใจนี้ไปในทิศทางไหนถ้าบาสมีกําลังมากกว่าก็จะสั่ง ให้ไปทางทางอบายถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะสั่งให้ไปทางสวรรค์ไปทางสุกติแต่ถ้าไม่มีเครื่องปับดันคือไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาความอยากใดก็ไม่สามารถไปทางบุญหรือทางบาปได้เหมือนกับรถยนต์ถ้าถอดเครื่องยนต์ออกจากรถแล้วถึงแม้จะมีพวงมาลัยจะ จะนั่งหมุนพวงมาลัยให้ไปทางซ้ายมันก็ไม่ไปหมุนให้ไปทางขวามันก็ไม่ไปบอลลต์ยนต์ไม่สามารถวิ่งได้แล้วไม่มีเก้า่ยนต์เครืงยนต์ที่จะขับดันให้จิตใจไปเวียนว่าตายเกิด น, นี้ก็คือตัณหาความอยากนี่เองถ้าไม่มีตัณหาความอยากแล้วก็ไม่มีพลังที่จะผลักดัน ไปไปไปเวียนไหวตายเกิอดอีกต่อไปถึงแม้จะทําบุญหรือทาบาปม า, มากเท่าไรก็ตามก็จะไม่ไปแล้วหมดเป็นผู้ที่ท่านบอกว่าอยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาสนั่นเองผู้ที่อยู่เหนือบุญเหนือบาปได้ก็คือผู้ที่ชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ให้เป็นกลางมังสวิย่าง ที่มีปรมาณูสุญญ์ก็จะมีปรมังูสุขผู้ที่ไม่มีความอยากแล้วก็เพราะว่ามีความอิ่มเต็มที่นั่นเองเหมือนกับเวลาที่เรารับประทานอาหารนนอิ่มเต็มท้องแน่นท้องเราก็จะไม่อยากจะรับประทานอาหารอีกสันใดใจก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลา ใจก็จะไม่มีความอยากในเวลาใดเวลาหนึ่งใดแต่ถ้าเรายังไม่สามารถทำใจของเราให้สงบได้ตลอดเวลาเวลาที่ไม่สงบนั้นจะเป็นเวลาที่จะมีความอยากเช่นเวลาเรานั่งสมาธิใจสงบตอนนั้นความอยากก็จะไม่มีแต่พอเราออกจากสมาธิมา มารับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากก็จะตามมาพอคิดถึงตู้เย็นก็อยากจะเปิดตู้เย็นดูว่ามีอะไรน่ารับประทานว่างพอคิดถึงตู้โทรทัศน์ก็อยากจะเปิดดูว่าตอนนี้มีรายการอะไรบ้างนี่เป็นเพราะว่าเรายังไม่ควบคุมความคิดของเราความสงบของเราตลอดเวลา ถ้าเราอยากจะรักษาความสงมบต่อไปหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเราต้องใช้ปัญญาใช้สติปัญญาพอออกจากสมาธิมาก็เอาความคิดมาคิดในทางที่จะทำให้ไม่เกิดความอยากเช่นให้คิดไปถึงเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆของอาหารของรูปเสียงกิ่นรสปวดสะพ้า ของเครื่องดื่มต่างๆว่าดื่มไปเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันอิ่มวันพอดื่มแล้วก็จะเกิดความอยากที่จะดื่มแล้วอีกเวลาไม่ได้ดื่มก็จะเกิดความหมุดหิดตําคาญใจเกิดความไม่สบายใจพอถ้าไม่อยากที่จะต้องพาใจไปสู่ความหมุดหิตสู่ความลาคาญใจสู่ความไม่สบายใจก็ต้องหยุดความอยาก จับเข้าไปสู่ความสงบพออยู่ความอยากใจก็จะสงบตัวลงพอสงบตัวลงใจก็จะอิ่มเหมือนขณะที่อยู่ในสมาธิทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจให้หยุดความอยากพอหยุดความอยากได้ความสงบ ก, ก็กลับคืนมาความอิ่มก็กลับคืนมาถ้าทํานี้กับความอยากทุกชนิด ต่อไปก็จะไม่มีความอยากผูก ข, ขึ้นมานี่แหละคื อ, อหน้าที่ของตัญญาที่ต่างจากหน้าที่ของสมาธิหน้าที่ของสมาธินี้มีหน้าที่ตึงใจให้เข้าสู่ความสงบแต่กาลังของสติที่ตึงใจให้เข้าสู่ความสงบนี้ยังสู้กำลังของตัณหาความอยากที่จะผลิตให้ออกไปหา สิ่งต่างๆไม่ได้ได้เพียงชั่วระยะหนึ่งถ้าจเจริญสติบ่อยๆมากมากก็จะนั่งสมาธิได้นานแต่ถ้าไม่มีสติหรือมีสติน้อยก็อาจจะไม่สามารถดึงจิตเข้าสู่ความสงบได้หรือถ้าเข้าได้ก็เข้าเพียงเดี๋ยวเดียวแล้วก็หมดกําลังก็จะถูกกําลังของตันหาความอยาก ดึงออกดึงจิตออกไปหาความสงบทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าเราฝึกติตไปได้เรื่อยแล้วต่อไปเราก็จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้นิ่งอยู่ได้นานหนืองสีบางท่านนี้เข้าฌานได้ครั้งลาเจ็ดวัน1ิวันนั่นเป็นกำลังของติตที่สามารถดึงจิต ด, ดึงใจ ให้อยู่ในความสงบได้เพียงแต่ว่าเวลาออกจากสมาธิมาแล้วหนือสีที่ตายเหล่านั้นเขาไม่มีความรู้ทางปัญญาเขาไม่สามารถที่จะสกัดความอยากเพื่อรักษาความสงบได้ถ้าก็อยากต้องการอยากได้ความสงบเขาก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ซึ่งสมาธินี้ก็เป็นอย่างนี้ จะสงบแล้วก็จะต้องออกมาเพราะหมดกําลังพอหมดกําลังก็ออกมาคิดเรื่องนั้นเรื่วงนี้ก็เกิดความวุ่นวายใจก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหมน่นี่คือสภาพของดูสีชีพยัยนักปฏิบัติในยุคที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แม้แต่พระอาจารย์ของพระองค์สองลูกที่ได้ไปส่งศึกษาท่านก็จนานาทางด้านสมาธิ ท่านหนึ่งก็จำนาถึงขั้นรูปปัจจาน อ, อีกท่านหนึ่งก็จำนาถึงขั้นอรูปปัจจานแต่ท่านก็ไม่รู้จักวิธีรักษาความสงบของใจหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วนี่คือสิ่งที่พระพทจ้าอยากจะได้ก็คือความสงบตลอดเวลาไม่ใช่สงบแต่ขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นอยากให้ใจสงบตลอดเวลา พระพุทธเจ้าจึงต้องศึกษาคุนคว้าด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ได้พบสัจธรรมความจริงว่าความไม่สงบนั้นเกิดจากความอยากถ้ามีความอยากอยู่ความสงบก็จะถูกทำลายไปถ้าอยากจะให้จิตกลับถูกความสงบก็ต้องหยุดความอยากและสิ่งที่จะหยุดความอยากได้ก็คือต้องเห็นความจริง ต้องเห็นความจริงว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของการทำให้ใจไม่สงบและสิ่งที่ใจอยากได้เพื่อจะมาให้ความสุขกับตวนั้นก็ไม่ได้เป็นความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนที่ถาวรที่ใจไม่สามารถสั่งให้เป็นตามที่ต้องการได้เสมอไปเช่นความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆนี้ เราได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเสียไปหมดไปเราห้ามไม่ได้เราสั่งให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้สั่งให้เขาไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เอ็นเวลาเราซื้อของมาของใหม่ๆนี้ก็จะดีไปหมดใช้การได้ดีทุกอย่างแต่พอใช้ไปใช้ไปเรื่อยๆเข้ามันก็เริ่มเสือ่อมเริ่มชำนุษเริ่มเสียเราไม่สามารถทาตามความสั เราได้นี่คือปัญญาที่เราจะต้องมองให้เห็นในสิ่งต่างๆว่าความสุขที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆเป็นความสุขชั่วคราวและเวลาเขาหมดไปหรือเปลี่ยนไปความสุขที่เราได้รับจากเขาก็าจะกลายเป็นความทุกข์เราจะต้องอเอาไปแก้ไขเช่นซื้อรถยนต์มา เวลารถยนต์เสียก็ต้องไปเข้าอู่เพื่อจะซ่อมเวลานั้นก็ไม่ใช่เป็นเวลาที่ให้ความสุขกับเราเป็นเวลาที่ให้ความทุกข์กับเราเราจะไปไหนมาไหนเหมือนกับเมื่อก่อนตอนที่รถไม่เสียก็ไปไม่ได้ต้องเอารถเข้าอู่ต้องเสียเวลามานั่งรอให้ช่างมาซ่อมซ่อมเสร็จแล้วก็เอากลับไปใช้ได้สักระยะหนึ่งอยียงแต่เสียอีก ไช้ไปนานเท่านานเข้าก็จะเสียบ่อยเท่าเสียบ่อยเท่าจนในที่สุดความสุขที่ได้จากรถก็ไม่ไม่เท่ากับความทุกข์ที่ได้จากรถก็ต้องเปลี่ยนรถขายรถเก่าซื้อรถใหม่ซื้อรถ ใ, ใหม่เดี๋ยวก็เป็นเหมือนรถคันเก่าใหม่ๆก็ดีต่อไปมันก็จะเสียต่อไปมันก็จะมีปัญหาต่างๆ นี่คือการพิจารณาให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากให้ความสุขกับเราเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นเพียงความสุขชั่วคราวนั้นเรามองไม่เห็นความทุกข์ที่จะตามมาถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรเป็นของชั่วคราว เห็นว่าเราไม่สามารถไปสั่งให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอเราก็จะไม่อยากได้อะไรพอได้มาแล้วมันไม่ได้ไม่คุ้มเสียได้ความสุขไม่คุ้มกับได้ความทุกข์มาทุ่มไม่อยากดีกว่าพอไม่อยากได้อะไรกลับได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าได้ปลามังสุขอังสุขที่ได้จากความสงกนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลาย นัติสันติบาลังสุ ข, ขังไม่มีความสุขใดๆในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบความสงบจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องระ ง, งับความหยานี่แหละคือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสิที่ทรงเรียกว่าพระอริยาสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุ ก, ก็คือความทุกข์ใจความไม่สบายใจ สมุทัยก็คือต้อนเหตุของความไม่สบายใจก็คือความอยากทั้งสารประเภทกามตัรหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานิโรดก็คือการดับความไม่สบายใจเกิดขึ้นได้จากการเจริญมรรสมาค ก, ก็คือสติปัญญานี่ที่สามารถมองเห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับใจ พอรู้อย่างนี้ก็หยุดความอยากจะได้สิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับตนก็จะกลับจะได้สิ่งที่ดีกว่าได้ความสงบของใจที่เรียกว่าปรมังสุ ข, ขังปรมังสุญญาคำว่าปรมังสุญญาก็คือว่าใจสะอาดเต็มที่ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวก็วไม่มี ถ้าไม่มีถ้ามีปรมังสุนญยังก็จะปรากฏปรมังสุขขังขึ้นมาแต่ไม่ได้หมายความว่าจิตหายไปผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัตินี่กลัวจะไม่อยากจะปฏิบัติไปถึงพระนิพพา น, นไม่ได้หายไปไหนพระพุทธเ จ, าจ้าตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือนหกอายุสามสิบห้าปีท่านยังอยู่ต่อถึงอายุแปดสิบปีแต่นั้นเป็นเพียงร่างกายของท่าน หลังจากร่างกายท่านตายไปแล้วใจของท่านก็ยังอยู่ต่อเหมือนเดิมเหมือนตั้งแต่วันแรกที่ท่านตัดสู้ในวันเพ็ญเดือนอกส่วนใจของพวกเรานี้เหมือนของพระพุทธเจ้าตอนตัดสั้นตอนที่ยังมีความอยากต่างๆอยู่ถ้ายังมีความอยากต่างๆอยู่พอร่างกายตายไปความอยากนี้ก็จะผลักดันให้ไปหาร่างกายอันใหม่ พวกเราจรึงกลับมาเกิดกันอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีกปัญหาของพวกเราก็าคือเราเป็นพวกโรกอัลไซเมอร์จำไม่ได้กันจำไม่ได้ว่าชาติอนเป็นอะไรกันมาบ้างแต่บางท่านนี่มีความจำดีเวลาเข้าสมาธิแล้วสามารถระลึกชาติได้ระลึกอดีตชาติได้ว่าตนเองเคยเป็นอะไรมาบ้าง ที่แบบคือเรื่องของจิตที่เราพูดถึงในวันนี้อยากจะให้เราเข้าใจว่าจิตของเราหรือของผู้ที่ได้ถึงพระนิพพานแล้วนั้นไม่มีวันสูญหาย อ, อยู่เหมือนอยู่เหมือนกันต่างตรงที่ว่าจิตที่ถึงพระนิพพานแล้วไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขไม่มีทัรณหาไม่มีความอยากต่างๆแต่จิตของผู้ที่ยังไม่ถึงพระนิพพานนี้ ยังมีความทุกข์ยังมีปัญหามีความอยากต่างๆอยู่ก็ต้องเวียนว่าตายเกิดเกิดมาแต่ละครั้งก็ต้องมาทุก์กับความแก่ความเจ็บความตายต้องมาทุกกับการพัพาพจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบพัพลาดจากบุคคลที่รักที่ชอบไปทุกครั้งไปไม่มีวันไม่มีข้อยกเว้นการเกิดจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดี เพราะไม่สามารถทําให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการไม่เกิดเท่านั้นที่จะทําให้ไม่มีความทุกข์โดยทรงตรัสว่าผู้ไม่มีความทุกข์ก็คือผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นผู้ที่จะไม่เกิดก็ต้องทําใจให้เป็นปรมังสุนหยางต้องทําใจให้สะอาดบสโดยปราศจากปัญหาความอยากทั้งสามประเภท ตัวตมัตฐาภาวะฐานะและวิภาวะฐานะนี่แหละคือเรื่องของศาสนาพุทธที่ไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆศาสนาอื่นๆไ ม, ไมญญ่ไม่รู้เรื่องของปัญญาไม่รู้เรื่องของพระอริยสัจติไม่รู้เรื่องของพลังส่วนใงเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดรู้เพียงแต่ว่าถ้าทำบุญ รักษาศี่นั่งสมาธิแค่จะไปสู่ความสงบที่สูงสุดก็ดคือท่านตามสงบของท่านสมาธิแต่ไม่รู้ว่าความสงบของท่านสมาธินี้เป็นของชั่วคราวไม่ถาวรเมื่อได้สมาธิก็ได้จิตระดับของพรงเวลาตายไปก็ได้เป็นพรงแต่ก็จะต้องเสื่อม กำลังสองสมาธิก็จะเสื่อมไปตามเวลาจากเสื่อมจากชั้นพรมก็ลงมาสู่ชั้นเทพเสื่อมจากชั้นเทศพก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าทำบาป ท, ทำกรรมก็ต้องไปเกิดในาบายไปในนรกไปเป็นเตะ ไ, ไปเกิดเป็นเดรัจฉานแล้วถึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ศาสนาส่วนใหญ่ก็จะสอนได้เพียงแค่ท่าน การการเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ดีคือสอนให้ทําบุญสอนให้รักษาศีลสอนให้ไหว้พระสดุดน้องเตงสรรเสริญพระเจ้าอย่างนี้ไปจ น, นเพื่อจะได้ระ ง, งับความคิดตุงแต่งทาใจให้สงบแต่ไม่มีศาสนาใดที่จะสอนเรื่องอริยสัจสีเรื่องของการยึดติดการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการหยุดความอยากต่าง ให้หมดไปจากใจต้องมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะเข้าถึงสัจธรรมความจริงอันนี้ได้พอพระพุทธเจ้าได้เข้าถึงความจริงอันนี้แล้วก็สามารถนําเอาความจริงนี้มาเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นได้ผู้อื่นที่ได้ยินได้ฟังก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ยุติความทุกข์ทั้งหลายได้หมดไป อย่างทาวยการได้เกิดมาได้พบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นของที่วิเศษมากที่สุดไม่มีอะไรจะวิเศษเท่าในบรรดาสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถพาให้จิตของเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ถ้ามาเกิดแล้วไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอย่างมากที่เราจะทําได้ก็คือทํำบุญเพื่อให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นขุมตโลกเท่านั้นเองแล้วก็ต้องเสื่อมลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทาบุญทําบาปใหม่ขึ้ น, น, นล ง, ลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังเรื่องของพระอริยสัจสี เรื่องของการชำระใจให้สะอาดโดยสุดด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญสมสถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเราได้ยินแล้วแลวเราสามารถนำออกไปปฏิบัติตามที่ได้ศึกษาได้ยินมาได้แล้วรับรองได้ว่าเราจะได้รับประโยชน์สูงสุดของพระพุทธศาสนาภายในชาตินี้เลย ไม่ต้องรอสะสมบุญบา ร, รมีเป็นกับเป็นกันเพื่อให้ได้เกิดปัญญาที่จะเห็นพระอริยสัจสีได้ด้วยตนเองอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องทรงบำเพ็งมาเนื่องจากพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนาในอดีตเลยพระองค์เลยต้องสะสมบุญบา ร, รมีสะสมปัญญาบา ร, รมีมาทีละเล็กทีละน้อยเป็นกับเป็นกัน จนถึงชาติสุดท้ายที่มีกําลังพอที่จะมองเห็นความจริงอ น, นี้ได้เห็นความจริงก็คือเห็นพระอษษษษษษษษริยสั์จ5พวกเรานี่มีบุญมากเราไม่ต้องมาสะสมปัญญาเพื่อให้เห็นด้วยตัวเราเองตอนนี้มีคนเอามาให้เรามอให้เราดูเลยต่อหน้าของเราเลยเพียงแต่เราดูแลนําออกไปใช้เท่านั้นเองคนที่ ได้รับอริยาาสัจสี่จากพระพุทธเจ้าจึงสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ภายในชาตินี้เลยบางคนบรรลุในขณะที่ได้ยินได้ฟังธรรมเลยพอพระพุทธเจ้าเอาพระอริยาาสัจสี่อามาแสดงเขาก็บรรลุ ก, กันเลยบรรุเป็ น, น, นพระอนานต์ทีละห้าร้อยลูกแสดงธรรมให้กับสํานักบวชที่มีนักบวชปฏิบัติอยู่ห้าร้อยลูปท่านมีสมีมีสมาธิแล้ว พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องปัญญาให้ฟังเท่านั้นเขาก็บรรลุเป็นท่าอานหันท้อขนดทั้งห้าร้อยลูกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนเขาก็ต้องบำเพ็ญไปอย่างนี้ไปอีกเป็นกลับเป็นการจนกว่าตัวเขาเองจะมีปัจจุตาสว่างที่จะสามารถเห็นพระอริยสัจสีได้ด้วยตนเองเาถ้าเขาเห็นได้ด้วยตนเองเขาก็จะเป็นพระพุทธเจ้า ถ้าเขาไม่เห็นเขาก็ต้องรอรอให้พระพุทธเจ้ามาปรากฏแล้วเอาพระอริยสัจสีนี้มาเผยแพร่มาสั่งสอนพอเขาจะยินได้ฟังเขาก็จะสามารถมนุษย์เห็พระนิพพานได้ผู้ที่ยังไม่ได้ทำทามยังไม่ได้รักษาสียังไม่ได้นั่งสมาธิอย่างเต็มที่ถึงแม้จะได้ยินได้ฟังเรื่องของพระอริยศัจสีก็จะไม่สามารถ ทำใจให้หยุดความอยากต่างๆได้ไม่สามารถเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ถ้าฟังเทศสั่งจำแล้วไม่บรรลุแสดงว่าเรายังไม่มีสมาธิพอการที่ไม่มีสมาธิก็เพราะว่ายังไม่มีสติพอการที่ไม่มีสติก็เพราะว่าไม่มีสีไม่มีธาน ตอนที่เราจะมาเจริญสติได้เราต้องทำทานก่อนทำทานชนิดแบบที่ว่าไม่ต้องยุ่กับเรื่องเงินทองเลยมีเงินทองเท่าไหร่ก็สละได้หมดเพื่อเราจะได้มีเวลามารักษาศีลมาเจริญสตินั้นเอถ้าเรายังทำทานเพียงเล็กๆไน้อยและยังต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินกับการใช้เงินอยู่เราก็จะไม่สามารถมารักษาศีลแต่ได้ ไม่สามารถมาเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อก็จะไม่สามารถได้สมาธิถ้าไม่ได้สมาธิก็จะไม่สามารถมองเห็นพระอริยสัจสีได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานเราจาเป็นจะต้องให้ทานแบบหมดทุก ห, หมดเนื้อหมดตัวเลยคือไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องการทำมาหาเงินหาทอง ไม่ต้องการใช้เงินใช้ทองเพราะความสุขที่ได้จากการหาเงินหาทองจากการได้เงินได้ทองได้ใช้เงินใช้ทองนี้ซู่ความสุขที่ได้จากการภาวนาไม่ได้จากการทําใจให้สงบจากการตัดกิเลสปัญหาให้หมดไปจากใจไม่ได้เราต้องเลือกทางถ้าเราอยากจะไปทางของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องละเรื่องของเงินทองไปให้หมด เราจะได้มาทุ่มเทเวลาให้กับการรักษาศีลกับการเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบเป็นสมาธิเมอใจเป็นสมาธิเราก็สามารถพิจารณาอริยรรสัจสี่ได้เราจะเห็นอริยสัจสีที่ทํางานอยู่ในใจของเรานี้อริยรรสัจสี่นี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี้ท่านรู้ที่ใจของท่านเองอริยรรสัจสี่นี้มีในใจของสัตว์ทุกชนิด แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสปนทุกข์สะสมไยจะมีความอยากแล้วก็มีความทุกข์สลับกันไปตลอดเวลานานจะมีความสงบสักครั้งหนึ่งหรือน้อยมากหรือไม่มีเลยอย่างนั้นจึงต้องทําใจให้สงบ ก, ก่อนพอใจสงบจิตก็จะเห็นจิตจะเห็นเห็นธรรมที่มีอยู่ในใจเห็นอริยสัจสีนี่ถ้าไม่สงบจะมองไม่เห็น ว่าเวลาไม่สงบจิตจะไม่มองเข้าข้างในจิตจะมองออกข้างนอกแล้วออกไปทางตาหูจะหมุนนิ่งายถ้าจะไปหาอริยสัจสีที่ข้างนอกหาไปจนวันตายก็จะไม่มีอริยสัจสีนี้อยู่ข้างในของอยู่ในใจของตนต้องเป็นอริยสัจสีภายในใจอริยสัจสีในใจของผู้อื่นในร่างนั้นมันไม่เป็นประโยชน์อะไรแล้วเราก็ไม่เห็นว่าอาจจะเห็นว่าการของอริยสัจสี่ ของผู้เช่นเวลาเห็นผู้อื่เขาเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนั้นแหละคืออริยรรสัจสี่ก็คือความทุกข์ใจเราไม่เห็นเห็นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่ามันไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจของเราได้เราต้องเห็นความทุกข์ใจของเราที่เกิดจากปัญหาความอยากของเราเพื่อเราจะได้มาหยุดความอยากของเราถ้าเราหยุดความอยากของเราได้ ความทุกข์ใจของเราก็จะหายไปเราก็จะอุดพ้นจากความทุกข์ได้นะนี่คือเรื่องของพระอริยสัจสี่ที่มีอยู่ภายในใจของเราทุกคนแต่เรามองไม่เห็นกันเพราะเราไปมองข้างนอกกันเส้อสวยอย่วนใหญ่เราจะมองแต่รูปเสียงกลิน่นรสโผฏฐัพพะมองแต่กระเป๋าที่สวยๆมองแต่เสื้อผ้าที่สวยๆมองแต่รองเท้าที่สวยๆ มองแต่ของเล่นที่น่าเล่นมองแต่โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เครื่องเล่นชนิดใหม่รื่อยนต์ชนิดใหม่จะเห็นแต่สิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้เราไม่เห็นอริยสัจสีที่มีอยู่ในใจแต่ถ้าเราไปปีกิเวกไปอยู่แบบนักบวชไปควบคุมใจของเราไม่ให้ออกส่งออกข้างนอกดึงใจให้กับเข้าข้างใ น, นด้วยการเจริญสตุทโธพุทโธไป พอใจเข้าข้างในใจก็จะเห็นข้างในเห็นว่ากำลังมีอะไรอยู่ในใจเห็นว่ากำลังมีความอยากหรือไม่มีความอยากมีความทุกข์หรือไม่มีความทุกข์มีก็สามารถใช้ปัญญาที่พระเจ้าสอนมาหยุดความอยากได้ต่อไปเราก็จะมีปัญญาอยู่ภายในใจของเราเองตอนต้นเราก็ต้องอาศัยคาสอนของพระพุทธเจ้ามา จุดประกายปัญญาให้เกิดในใจของเราพอเราเริ่มใช้ปัญญาตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนต่อไปเราก็จะมีปัญญารักษาใจปัญญาที่จะคอยระ ง, งับความอยากต่างๆที่สร้างความทุกข์ให้กับเรานี้ให้หมดไปจนใจของเราก็จะกลายเป็นปรมังสุญญงไปเป็นปรมังสุขขังไปภยในชาตินี้เลยพะองค์ทรง ปัญญากรได้ถ้าผู้ใดสามารถเจริญสติสมาธิได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาพิจารณาปัญญาได้อย่างตลอดเวลาจะสามารถบรรลุถึงปรมังสุญญ์อย่างนี้ได้ภายในเจ็ดปีเป็นอย่างช้าถ้าเป็นผู้ฉลาดแหลคนคมผู้ที่มีคาวามขยันหมั่นเพียรมากผู้ที่มีกิเลสบางนีน้ก็จะสามารถบรรลุได้ภายในเจ็ดวันเลยนี่แหละคือเรื่องของจิตใจ ของของพระพุทธเจ้าและของพวกเราจิตใจของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนก็เป็นเหมือนของพวกเรามีกิเลสตัณหาเหมือนกับที่พวกเรากําลังมีอยู่ในตอนนี้แต่ท่านสามารถพลิกมันให้กลายเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ได้พวกเราก็สามารถที่จะทําได้โดยเฉพาะในชาตินี้เรามีครูมีอาจารย์มีผู้สอนเราถ้าเราเชื่อและเราปฏิบัติตามได้เราก็จะพลิกใจของเรา จากใจที่มีแต่กิเลสเรื่องเศร้าหมองให้กลายเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นจิตใจที่มีแต่ปรามังสุดทั้งใจตลอดนี่คือเรื่องของความเห็นที่ถูกต้องที่พวกเราควรที่จะเอามาพิจารณากันเพราะเราจะได้รับประโยชน์ถ้าเรามีการเห็นผิดเช่นเห็นว่าปฏิบัติไ้แล้วเดี๋ยวเราจะสูญก็ไม่มีใครอยากจะปฏิบัติกัน เหมทำงานแล้วแทนที่จะเป็นมหาเศรษฐีกลับเป็นคนยากจนมีใครอยากจะไปทำงานกันทำแล้วจนไม่มีใครอยากจะทำอยา่างนคนที่คิดว่าปฏิบัติทำแล้วสูญก็เหมือนกับคิดว่าทำงานแล้วต้องยากจนนั่นเองไม่ทำแล้วจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีทำมีอารียทรัพย์อยู่ภายในมีปรามังสุขถังไม่สูญใจไม่สูญสิ่งที่สูญคือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่มีอยู่ในใจ ก็คือจิตเหตุตัณหาต่างๆนี้เองจึงขอให้ท่านจงเอาความเห็นที่ถูกต้องนี้เอาไปเจริญเอาไปค่ายควรอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้เดือดแล้วจะเป็นสาธรณะเป็นที่พึ่งนําพาจิตใจให้ไปสู่ความสุขความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ที่ทราบมานั้นคือจะต่างกันทางด้านธรรมเนียมประเพณีกาปรปฏิบัติของพระเดินพระมหาญานนี้ท่านจะไม่ได้ออกบินสบายเพราะเนื่องจากท่านไปเคยืถอนถ่าทางทางประเทศตอนเหนือของอินเดียขึ้นไปเป็นประเทศที่มีความหนาวเย็นไม่สามารถออกไปบินสบายได้ท่านก็เลยต้องทำอ า, าหารกันเองในวัดแห่นี้ ส่วนเรื่องคำสอนขา้าริยศักดิ์นี้ก็เหมือนกันเรื่องขวี่ัยนี้อาจจะไม่เหมือนกันแล้เนื่องจากทางหายย า, าณเขาก็อาจจะมีความเห็นอย่างเข้ามาแทรกด้วยเช็นความเชื่อในพระโพธิสัตว์ก็ อ, อาจจะมุ่งไปทางเป็นโพธิสัตว์เสี่มากกว่าการที่จะปฏิบัติเพื่อให้หุพ้นในชาตินี้นถ้าพูดก็หมายความว่าหลงทาง ท, ท, ท<อ>าาํพระพุทธเจ้าสอนให้พระพุทธเจ้าสอนให้ไปรพระพันวิภานในชาตินี้แต่พวกเขาเขาขอรอไปเป็นพระโพธิสัตว์เขาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเขาไม่อยากจะเป็นพระสาวกเพราะเขาคิดว่าเป็นการเป็นพระพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่กว่าการเป็นพระสาวกแต่เขาไม่รู้ว่ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นี้จะต้องเสียเวลาไปอีกหลายกับหลายการด้วยกับ ถ้ามีเจ้าแม่กวนอิ๋วเจ้าแม่กวนอินี้ก็เหมือนกับพระโพธิสัตว์ของเราคือพระพุทธเจ้าตอนนี้เป็นพระเวชสันดรที่ทําบำเพ็ญทานบารมีเราก็เชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิ๋วนี้ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปแต่เขาเลือกความจริงว่าเขาสามารถเป็นพระพุทธเจ้ป็นเหมือนพระพุทธเจ้าได้ในชาต น, นี้เลยเขากลับไม่เป็นคเพราะเขาถูกกิเลสเนอะกิเลสยังไม่อยากให้เขาไป ปิดไม่เวยไปภาวนายังอยากให้เขามาวุ่นวายกับเรื่องการทำบุญช่วยเหลือคนนั้นคนนี้อยู่ทาเรียนทางอาจารย์คือปฏิบัติภาวนามามา้สุดว่ายังขาดกำลังในสมาธิอยจะขอคำแนะนำอาจารย์ใด้ตรงนี้ให้มันดีขึ้นได้อย่างไร คือชีวิตของคาวาสเนี่ยจะหวังเรื่องการนั่งผลจากการนั่งสมาธิมากในของใจยากเพราะว่าไม่สามารถที่จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องไม่ไม่สามารถบริกรรพุทโธพุทโธได้ไปทั้งวันเนื่องจากเรามีภารกิจการงานต่างๆเราต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องการทํามาหากินแก้ปัญหาต่างๆเราก็จะไม่สามารถที่จะมาบริกรรมพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อจิตไม่ว่างจิตไม่นิ่งก็จะไม่สงบนั่งสมาธิก็จะคิดถึงงานคิดถึงปัญหาต่างๆที่มันยังตกค้างอยู่ในใจเพราะฉนั้นชีวิตของคารวะนี้จึงเป็นอุปสรรคต่อการจเจริญสมาธิเป็นอย่างมากผู้ที่ต้องการควาสมสงบจริงๆถึงจะต้องอ อ, ออกเหียวกันละการคลองเลือนกั น, นะ น, กนในในในพระปิดกก็จะมี โทษอยู่เสมอเวลาผู้ที่เห็นโทษของการเป็นคาราวาอยากจะออกบวชเขาก็จะบ่นว่าชีวิตของคาราว้านี้มันวุ่นวายเนอถ้าอยากที่จะหาความสงบนี้จะต้องไปอยู่แบบนักบูไปปีกวเวกอยู่คนเดียวไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นนอกจากการดูแลรักษาร่างกายนี้ทํานั้นอย่างนั้นถึงจะมีเวลาที่จะเจริญสติ สตินี่เป็นเหมือนเชือกสดใจของเรานี่เป็นเหมือนดิงถ้าเราต้องการจะจับดิงให้เข้ากรงได้นี่เราต้องมีเชือกลากคอมันผูกคอมันไว้แล้วลากมันเข้าไปไว้ในกรงถ้าไม่มีเชือกไปตามจับดิงเข้ากรงนี้วิ่งไปจับมันจนวันตายก็วิ่งไม่ทันเพราะมันเร็วกับเราบาความคิดของเรานี่มันเร็วกับเราบาเราหยุดมันไม่ได้เราสั่งมันให้หยุดให้รูเฉยเฉยไม่ได้ ให้คิดไม่ให้คิดไม่ได้สั่งมันไม่ได้แต่เราจะมีอุบายทําให้มันไม่คิดได้ถ้าเราเอาไปคิดเรื่องอื่นเอาไปคิดกับว่าพุโทโธพุโทโธไปอย่างนี้มีอุบายหลายอย่างนอกจากพุโทโธก็สวดมนต์ไปฟังเทศฟังธรรมไปพิจารณาธรรมเหล่าแบบนี้เป็นการดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆทําใจให้เข้าสู่ความสงบได้อันนี้แหละที่ เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่เป็นผู้คลองเรือทั้งหลายนั่งสมาธิกันไม่ว่าใครก็ตามมาถามปัญหาก็ปัญหาแบบเดียวกันนั่งแล้วไม่สนุก็ <c oughs> เลยหลงไปเชื่อพวกที่เขาสอนว่าไม่ต้องนั่งสมาธิกันเราคิดว่าใช้ปัญญาใช้การดูจิตเราสามารถทำใจให้สงบได้ดูไปจนตายก็ไม่สงบ ด, ดูก็ไปหยุดเขาไม่ได้ไม่มีกาลังที่จะหยุดใจหยุดไม่ให้คิดไม่ได้ ไม่มีทางอื่นต้องต้องหาเวลาปิดวิเวกจะมากหรืน้อยก็สุดแท้แต่เืิองต้นก็อาจจะปฏิบัติในช่วงวันหยุดของเราเช่นวันเสาร์าอาทิตย์แทนที่เราจะเอาวันเสาร์าอาทิตย์ไปหาความสุบทางจใต้มูจกจบูกนิ่งกายเราก็ไปอยู่ที่ไหนที่สงบอยู่ตามลพาพังแล้วก็ถือศีลแปดแล้วก็จะลอยสติไปทั้งวันทั้งคืน นอกจากเวลานอนเราก็อาจจะพอได้สมาธิบ้างแม้แต่การเป็นนักบวชแต่ถ้าต้องไปเรียนหนังสืออย่างที่สมัยหลุงตาท่านบวชใหม่ๆท่านยังไปเรียนหนังสืออยู่ไปเรียนป ร, รีาเนไปศึกษานักธรรมดีโทเอกจรงนั้นท่านบอกว่าท่านก็ภาวนาแต่ท่านจาได้่าเคยจิตเคยลูภแค่สองสามครั้งเท่านั้นขนาดเป็นพระไม่มีภารกิจทามากินอย่างญาิโย็น แต่ยังมีภารกิจกับการศึกษาพระิยปฏิธรรมอยู่ก็ยังทําให้เป็นอุปสรรคต่อการทําใจให้สงบได้โดนได้ไปพบกับหลวงปู่มั่นไปขออาศัยศึกษาอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่ท่านก็พูดในวันแรกว่าท่านได้เรียนรู้มามากแล้วแต่ความรู้ต่างๆเหล่านี้ตอนนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์มันเป็นอุปสรรคเพราะจะทําให้ท่านคิดกับเรื่องความรู้เหล่านี้ ทำให้ท่านไม่สามารถที่จะหยุดความคิดได้ตอนนี้ขอให้ลืมความรู้ต่างๆที่ได้เรียนมาทั้งหมดนี้ไปก่อนให้มาทาใจให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวพอใจสงบแล้วความรู้ต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อไปในระดับของปัญญาแต่ตอนนี้การทำสมาธินี้ต้องหยุดความคิดทุกอย่างต้องหา วิธีกำจัดความคิดต่างๆที่จะเข้ามารบกวนความสงบนี้ให้ได้ก็ต้องอยู่ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆถ้าอยู่อยู่ในบ้านอยู่ที่สานักงานเดี๋ยวก็เห็นเห็นงานเห็นการเห็นเห็นภรรยาเห็นลูกมันก็มีเรื่องของลูกของเรื่องของภรรยาเรื่องของงานของกายมาให้คิดอยู่มันก็จะไม่มีทางที่จะทำใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวคืออยู่กับพุโทโธได้นี่แหละคือ การปฏิบัติทางใจการทําใจสงบนี้จําเป็นจะต้องปีกวิเวกอยู่คนเดียวแล้วก็ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายสังวรอินทรีย์ก็คือให้ถือศีลแปดการถือศีลแปดนี่เป็นการสังวรสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ดูไม่ให้ฟังลูกเสียงกินรสผวดสะระที่ทําให้ใจฟุ้งซ่านทาให้ใจไม่สงบ ดูภาพยนตร์ดูอะไรต่างๆเหลนี้ดูไปแล้วใจก็ต้องคิดปรุงแต่งไปด้วยให้หยุดการดูรูปเสียงเสัมผัสรูปเสียง ถ, ถึงลดตัวระเบิดใจจะได้มาเจริญสติได้ฉันต้องลองดูถ้าอยากจะได้สมาธิก็ลองไปติดนิเวอยู่วันเสนะาร์อาทิตย์ที่บ้านไม่ถ้าไม่สามารถทําที่บ้านให้อยู่แบบวัดได้ก็าอาจจะต้องไปหาวัดที่สงบเงียบ อลองดูผลจะต่างกันมากมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีจะให้พรก่อนนะเือท่านที่ต้องการจะกัดจะได้ไม่ต้องรนนรา ยะาวะิวะหาตุลาปริเพรินติสักลานเอวเมวิโตทินังเปตังอุปการปฏิอิิตังปะชิตังตุมันคิปเวะสัมมิจตุจะเพรุเรตุจังกะปายัโทตนาสุยะถามิชติรกโยะาสัพพิติโยวิวัชันตุ สัพโรโคววนัสตุมาเตภวโตอันตรายุสุขีทิคายุโกภวะอาคีวาตนสีลิกษะนิจจมุตตาปจายโนลัตตาโรธรมาวาตันติอายุวันุสุขังภาลัง